أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى و ل ك الحمد إذا ر ض ي ت و ل ك الحمد بعد الرضا وأشهد ا ن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا ع ب د ورسوله أرسل الله ورحمة للعالمين و ق د أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة و ج ه د في لقته ا هذه فتساه الله أنى وأن أمتي خر وأ مجازاه نبيا عن أمتي أما بق سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ر ق ق الله ا ل تعالى في كتاب الكريم بعد أ و ذ ب الله من الشيطان ا ل رجيم ف ل قد حمل عقبة وما أدرى كمل ا عقبة فكر قبة. ขอ맙 ي ن ้องที่ติดตามรับชมคอร์ส อธิบายลนคุรานนะครับทัซีนะครับที่ว่ารับชมไฟของเมื่อวานจะพบว่าช่วงตอนท้ายจะมีปัญหาก็คือไฟตกนะครับก็เลยต้องหยุดแจนถ่ายทอดไปก่อนก็ต้องขอมับในความไม่ต่อเนื่องแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นครับผมครับพี่น้องครับเรามาคุยกันต่อครับความเดิมเมื่อวานที่เราพูดคุยกันเราได้พูดถึงข้อเท็จจริงของชีวตของมิสซินในโลกดุนยา วะผูล้ลอสุบฮานหัวตาลได้บอกว่าเวลาพูไปเสดสัธาเนี่ยเวลาที่เขาได้รับอะไรก็ตามจากผู้ลอสุบฮานหัวตาลนั้นเขาก็ไม่เห็นนะค่าของมันหรอกเขาก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องได้อยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่สนใจที่จมว่าจะมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าชีวิตนี้มีไว้เพื่ออะไรสําหรับเขามันก็ไร้ค่าคือไม่สนใจอะไรเลยเพราะนั้นไม่มีเหตุผลที่จะทําให้เขาต้องเลือกหนทางที่ยากลําบาก ถ้ามันไม่มีการตอบแทนคือถ้าเกิดในดุนยาจะทําความดีก็ต้องดูว่ามันมีอะไรตอบแทนทําแล้วเขาสบายใจใช่ไหมอาจจะสบายใจก็อาจจะทําถ้าทำแล้วไม่สบายใจเข้าก็ไม่ทําหรืออาจจะมีอีกหลากหลายรูปแบบแต่สําหรับมุสลิมผู้ศรัทธานั้นพวกลอสุบานอัลตราได้สอนพวกเราไว้ว่าฟ่าละกอต้ฮัมบัลอาควบาพวกนั้ไม่บอกเราว่าพวก เ, ากวาวกเขาเหล่านั้นน่ะเขาไม่เลือกหนทางที่ยากลาบากหรอกแต่ว่าสําหรับมุสลิม เราต้องเลือกหนทางที่ยากลําบากเพราะชีวิตในดุนยาย่างไงมันก็ลําบากเพียงแต่ว่าลําบากแล้วได้การตอบแทนหรือลําบากแล้วไม่ได้รับการตอบแทนมันมีแค่นั้นจริงๆมันมีแค่นั้นจริงเพรา ะ, ะนั้นสำหรับมุสลิมเราเรารู้ว่ามันต้องลําบากแล้วเราก็เลือกหนทางที่ลําบากไม่ใช่ว่าเราไม่อยากสบายแต่เราอยากใช้อัลลอฮ์รักเราอันนี้คือโจทย์ที่อยากให้พวกเราทุกคนรวมทั้งตัวผมเองตั้งเอาไว้ในใจให้ชัดเจน ถึงเวลาเจอบททดสอบหนักๆเราจะได้ไม่เสียศูนย์เราจะได้รู้ว่าอ๋อชีวิตฉันมันต้องเจอความยากลําบากชีวิตฉันมันต้องลําบากนี่แหละก็ขอด้วยเจ้าอัลลอฮฺว่ยารัฟะอินนัมาลอุสดีอุสพอเราได้กล่าวว่รืัมภีร์ของพวกว่าในหนึ่งความยากลําบากนั้นพวกเราไดมีความแย่ได้มากมายถ้าเกินเพราะฉะนั้นก็ขอให้เกิดความแย่ได้ในบททดสอบที่ฉันเจอด้วยขอให้ฉันมีความเข้มแข็งขอให้ฉันมีความมั่นคง ครับก็ขอทักทายพี่น้องที่รักนะครับที่สละมเข้ามานะครับผมคุณวิสิตนะครับสละมาก็ไวริคุณสละมรกตละบวบวรกาตูเช่นเดียวกับคุณสายะครับวาาันนี้สายะก็สละ ม, มาเต็มๆก็ไวริคุณสละมรกตละบวบวรกาตูแล้วก็มาแชรา์ล้อนครับด้วยเพิ่มมาว่าขอรับประทานความง่ายดายก็อาเมีนครับผมก็คือได้ถึงแค่ไหนก็ถึงแค่นั้นแต่ก็ขอโดยเฉพาะเรื่อให้ราบร่นแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องครับผม จะเสีคุมลรับครัอ่อ้ดุนยาคือคุกสำหรับผู้ศรัทธาผมชอบเรียกชื่อนี้ผมไม่ว่ากันนะครับผมมันเป็นการตอบย้าจิตใจได้ดีนะครับสลามาเต็มเต็มะครับก็วากุลสลามอัลลอฮ์บออบรารกาตแล้วก็ไอซัมาอ่าไม่ใช่อายนิเนาะอ่าพี่ซัมาครับสลา ม, มาเช่นเดียวกันก็วาริกุลสลามบอบรากาตครับผมทีนี้ครับความเดินตอนที่แล้วที่เราพูดคุยกันเราพูดคุยกันคางว่าในอัลกุรอานเนี่ย หลายครั้งที่เราพบว่าพระลอสซูบฮาห์นูวาตาจะพูดให้เราได้คิดด้วยกับเป้าหมายที่หลากหลายแต่ว่าต้องการให้เราคิดด้วยกับการถามว่าอยากจะรู้ไหมเจ้ารู้ไหมอะไรที่ทําให้เจ้ารู้ว่าอันนี้มันคืออะไรถ้าเราดูใอัลกุรอานนะครับมีสิบกว่าที่ที่เคยพูดไว้ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นการตอกย้ําผู้สัทธา เรามาดูส่วนหนึ่งที่มีในอัลกุรอานครับจะขอยกมาในที่นี้นะครับผมที่พวะเราบอกว่าว่ามอาอัจรอแกว่ามอาอัจรอกเมื่อวานเราบอกแล้วนะครับว่าในสมมวลกุรอานเนี่ยคำว่าอัจรอที่แปลว่ารู้จะมีในสองรูปแบบด้วยกันรูปแบบอดีตการกับรูปแบบอนาคตว่ามอาอัจรอแกกับว่มายุตรีแกว่ามอาอัจรอแกจะพูดในความหมายว่าเจ้ารู้ไหมว่า อะไรคือสิ่งนั้นอะไรคือสิ่งนี้เจ้ารู้ไหมซึ่งเมื่อไหรก็ตามที่พวกเราใช้คำนวนว่าว่มาอัลเดรอแกแปลว่าพวกเราจะบอกให้เจ้ารู้อายะต่อมาเอาเราจะบอกให้รู้ว่ามันคืออะไรตอนแรกพูดเป็นการดึงความสนใจก่อนพูดชวนคิดก่อนเหมือนกับเป็นคำถามก่อนที่จะเริ่มการพูดนะครับคำถามแบบว่าเปิดการพูดคำถามที่ชวนให้คิดคำถามที่ว่าดึงความสนใจ เมื่อไรก็ตามที่พวกรถใช้คำว่ามาอัตโรากาพวกราจะบอกให้รู้่ามันคืออะไรตรงกันข้ามกับคำว่มายูเตรี่แกเจ้าไม่รู้หรอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกว่าอะไรคือสิ่งนั้นอะไรคือสิ่งนี้เมื่อใช้ในรูปแบบของมูดอแรกคือปัจจุบันหรืออนาคตเนี่ยนะครับผมหมายความว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่พวกรถจะไม่อธิบายให้ละเอียดหมายความว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่พวกรถจะไม่อธิบายให้ละเอียดซึ่งทั้งหมดนั้น มีหิกมาทั้งสิ้นมีเหตุผลทั้งสิ้นมีความงดงามทางด้านภาษาทั้งสิ้นเมื่อว่าเราพูดถึงว่าในการใช้สมมุติว่าายูเดรียกะคือพวกเราจะไม่อธิบายพวกเราจะไม่อ <substantially> ธิบายถึงข้อที่จริงอย่างชัดเจนเช่นในสํานวนที่พวกเราสุบฮานุตะด้บอกว่าว่มายูเดรีกะและละสัตตะตุกนกะรีบะเรไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าบนเคลียร์มามันอาจจะใกล้เข้ามาแล้ว วันส um ิโกนั ah ah ้นม ah ันอาจจะใกล้เข้ามาแล้วซึ่งอยู่ในโอาซับกับยูนิสรชรอเช่นเดียวกันครับอีกะอาบซละอัลลฮเชไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าเขานั้นอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับการขัดเกลาต้องการที่จะขัดเกลาตนเองเป็นคนดีก็เป็นได้อันนี้ตล พูดถึงเมื่อตอนที่ว่าท่านอับดุลเบี๋ยมุสลิมละลองกำลังทำการเผยแผ่กับชาวกุเรชใช่ไหมครับแล้วก็ซาบะที่ตาบอดมาท่านอับดุลเบี๋ยมุสลิมลลองอะลัยสลามเพื่อที่มาสอบถามท่านอบีก็รู้สึกว่ายังอยากคุยกับบรรดาหัวหน้าของชาวกุเรชเพื่อเขาจะเข้ารับอิสลามซึ่งเหตุการณ์อินชาลอเราจะได้คุยกันเมื่อคุยกันในส่วนของทัฟซีดสุลาะ อ, อับบาสะแต่ประเด็นก็คือที่พวกล้อบอกครับเจ้าไม่มีทางร่วมรู้ได้หรอกว่าใครเป็นคนที่เขา เป็นคนที่หัวใจได้รับการขัดเกลาแล้วใครเป็นคนที่หัวใจจะไม่มีทางได้รับการขัดเกลวย่ารักแกะเพราะกาลังพูดถึงนาบีกําลังอยากจะขัดเกลาจิตใจของชาวกุเรสขัดเกลาหรือว่าดาวะเชิญชวนให้ทางนําแก่ชาวกูเรสที่ว่าเป็นระดับหัวหน้าท่านอบียอยากจะยั่ักกะอยากจะยุยยักกีเขาแต่พวกเราบอกว่า คนที่มาหาเจ้าที่เป็นมาในสภาพพูดตาบอดเนี่ยเจ้าไม่มีทางรู้ได้หรอกเขาอาจจะมาในสภาพของผู้ที่ได้รับการขัดเกาแล้วหรือต้องการได้รับการขัดเกลารจริงๆอัยกกรานี้ผู้ลอสบอกให้รู้ว่าท่านนบีมอมาสละลองวสลามเองท่านก็ไม่ได้สามารถอ่านใจใครได้ความสามารถในการอ่านใจคนเป็นของผู้ลสุบฮาณหัวตาละ เป็นแล้วพวกเราสอนใรู้ว่าไม่ต้องไปนั่งใจในใจใครไม่ต้องไปตัดสินใจใครแทนใครเกินจากที่เขาแสดงออกมาตัดสินตามที่เห็นภายนอกนั่นคือสิ่งที่ทาราบีมุสโตริสลัมทําเป็นแบบอย่างมาตลอดตัดสินตามที่เห็นภายนอกอย่างที่ชัดเจนจบแค่นั้นจบแค่นั้นเพราะนั้นใครจะเป็นคนดีใครจะเป็นคนไม่ดีฟราตุจักกูอังฟัสกุมหัวอะแล้วโมบิมิตาะกแม้แต่ตัวเราเองพวกเ ร, เราก็บอกว่าอย่าได้ อ้างว่าตนเองแล้วเป็นคนที่ดีแล้วอย่าได้ยกย่องอย่าได้ทีหางตนเองถ้าเกิดจะไปง่ายง่ายฝรั่งติ้ซกูองคุสกุมอย่าได้ยกย่องตัวของเจ้าเองอย่าได้คิดว่าตัวของเจ้าเองดีอย่าคิดว่าตัวของเจ้าได้รับทางนําอย่าได้คิดว่าตัวของเจ้านั้นเป็นคนที่อลรักแล้วด้วกับการที่เจ้ามีทรัพย์สินด้วยการที่เจ้ามีความรู้ด้วยการที่เจ้ามีอํานาจด้วยกับการที่เจ้ามีอะไรก็ตาม และมุบิมานิตตะกอผู้ล้อซุบฮ า, านะหุอัตตาลิส่งกล่าว อ, อ่อยว่าผู้ล้อนั้นย่อมรู้ดีว่าใครเป็นผู้ที่มีความสํารวมตนต่ออัลลอฮ์มากที่สุดใครคือผู้ที่มีความตักกว่าต่ออัลลอฮ์มากที่สุดเพราะฉะนั้นถึงเวลาก็ไม่น่าไปบอกเลฉันคขึ่งกว่าแกฉันแกขึ่งกว่าฉันหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ต้องครับไอมุฮัหมอินเดลลอฮความรู้ที่อัลลอฮ์ถ้ามีใครมาพูดประมาณนี้ว่าฉันขึ่งกว่านายนะฉันคขึ่งกว่าเธอแล้วทำไม่เธอถึงไม่ขึ่งทําไม่เธอถึงพูด ความหมายทำนองนี้พี่น้องไม่ต้องไปสนใจพี่น้องตอบไปเลยว่าเฟลาตุซักกูองฟุสกุมหัวอะและ้วม้วนบีมนิดต่ อ, อกาออย่าได้ยกหางตัวเองเลยอย่าได้ยกย่องตัวเองอย่าได้บอกว่าตัวเองนั้นได้รับการขัดเกลาแล้วเอาล้าอย่อมรู้ดีว่าใครคือผู้ได้รับความการขัดเกลาร์ผู้ที่มีความยำเกรงอย่างแท้จริง ครับนั่นก็คือสามที่ที่มีแนกรุรอนที่ใช้คําว่าวามายุตตีกะคือสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ให้รู้วันเกียตรติจะเกิดขึ้นเมื่อไรอัลลอฮฺไม่ได้ให้ใครรู้แม้แต่ไมกาที่สนิทกับพระองค์แม้แต่อิสราฟีนที่ทําหน้าที่เป่าซูรเป่าเขาสัตว์ที่ว่าทําให้เกิดวันสินโลก mm. เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าวันเกียตรติจะเกิดขึ้นเมื่ อ, อไรในริสเนบีมุฮัมมัดสุลตามพูดแต่เพียงว่าซูรเนี่ยมันมาจาะอยู่ที่ปาก ขงท่านอิสราเอแล้วคือพร้อมเป่าแล้วแต่เมื่อไหร่แม้แต่คนถือซูตก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเป่าแล้วเมื่อเป่าแล้วแม้แต่คนเป่าซูตก็ต้องเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันพลังอํานาจนั้นย่อมมาจากโอรสสุภานุวตาลาเท่านั้นเช่นเดียวกันครับกับว่าบรมยุดีกาลาลูยส์รักแใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีให้เป็นเรื่องของอัลลอฮฺ ถ้าทําผิดว่าไปตามนั้นทําถูกว่าไปตามนั้นแต่ไม่ต้องบอกว่าใครเป็นคนดีหรือใครเป็นคนไม่ดีเพราะคนที่พี่น้องคิดว่าเป็นคนดีอาจจะเป็นคนไม่ดีสัญญ่งบอกอัลลอฮ์ก็ได้หรือคนที่พี่น้องคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาอาจจะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักก็ได้อัลลอฮ์รู้แต่พวกเราไม่รู้เพราะนั้นหน้าที่จะไปบอกว่าใครดีใครไม่ดีไม่ใช่หน้าที่ของเราย้าอ <st Native> <t Native> <ฉ>ีก <ichtlich> ครั้งหนึ่งหน้าที่ของเราเพียงแต่ตัดสิินที่ชัดเจนถ้าเขาพูดมาสิ่งที่เขาพูดมาผิดเราก็บอกสิ่งที่เขาพูดผิด ถ้าสิ่งที่เขาพูดมาถูกเราก็บอกว่าสิ่งที่เขาพูดมามันถูกแล้วก็หยุดแค่นั้นไม่ต้องไปนินทาไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดไม่ต้องไปหาเรื่องให้ผลบุญของตัเองต้องหายไปครับอันนี้ก็ขอเตือนตัวผมแล้วก็ตัวพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมท <c oughs> ีนี้ครับเรามาดูสำเนาในร่างที่ใช้คําว่าวามาอัสดรอกันสิ่งที่พูดละ พูดเพื่อเป็นการดึงสติเราเพื่อที่โปรล็รจะได้บอกว่ารู้ไหมว่ามันคืออะไรแล้วโปรเราจะได้อธิบายถึงข้อจริงของมันบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่รู้เลยมาก่อนส่วนบางอย่างเป็นเรื่องที่เราพอจะคิดว่ารู้แล้วแต่เราไม่ได้รู้จริงๆแต่เราไม่ได้รู้จริงๆตัวอย่างเรื่องที่เราพอจะรู้ครับทีแรกก็ วัวมาอดเรอกรมันอัคกบะนิสรนี oba, ่ i, แะครับแล้วเจ้ารู้ไหมว่าอะไรคือชะงนนผาอะไรคือการปีนชะงนนผาที่สูงชันเจ้ารู้ไหมว่าอะไรคือการปีนชะงนนผาที่สูงชันฟังปุ๊บเราพอจะเข้าใจว่าปีนชะงนนผามันคืออะไรเราเข้าใจถูกไหมครับแต่เราไม่รู้ว่าที่พวงรถสุภานุวัตราสือนั้นพวงรถอยากจะให้เราทําอะไรละ่ะที่เรียกว่าเป็นความยากลําบากระดับเดียวกับการปีนชะ้นลนผาที่สูงชัน วามาอดเดรเกมันอัคบาซึ่งภายหลังจากนี้พวกล็อก็จะที่บายอย่างชัดเจนว่าทาอะไรบ้างฟักกูรกะบะเอาอิตามุลฟิยาุมินดีมัซกบะบะเจติมันดะมักรบะอมิสกินมตรบะพวกลก็ทีบายทีหลังปลดไปต้นคอของเจ้าให้เราพ้นจากไฟนรกหรือว่าปลดไปฟักรกรกะบะปลดไปต้นคอหรือให้อาหารคนยากจนในวันที่ยากลาบาก ไม่ว่าเขานี้นจะเป็นเด็กกำพ้าที่มีเครือญาติหรือว่าจะเป็นคนยากจกนที่มีฝุน่นอยู่เต็มใบหน้าซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันินชาวล้อครับผมแต่ประเด็นก็คือว่าเพื่อว่าบอกให้รู้ว่ามันคืออะไรต่อมาครับถ้าเราจะดูนะครับคว่าอดลอกฮ์ส่วนใหญ่เลยในอัลกรุรอานจะถูกใช้เมื่อพูดถึงชื่อหนึ่งของวันกิยามะหนึ่งในชื่อของวันกิยามะหรือหนึ่งในชื่อของไฟนรก ทำไมล่ะเมื่อพูดถึงวันเกียรมะพวกเราทุกคนรู้ดีถูกไหมครับวันเกียรมะโอเคคือวันที่หลังจากเราเสียชีวิตไปแล้วทุกคนฟื้นคืนชีพมาได้รับการสับสวนได้เข้าสวรรค์ได้เลี้ยงนรกจบพอพูดถึงเขาวันเกียรมะสิ่งที่อยู่ในหัวเราก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แต่พี่น้องที่รักครับพ่อหลวงสุภานุวาตาเรียกวันเกียรมะแล้วก็เรียกนรกด้วยกับหลายชื่อพี่น้องรู้ไหมว่าทําไมต้องเรียกด้วยกับหลายชื่อทําไมวันเกียรมะก็ไม่เรียกวันเกียรมะอย่างเดียวมันจบ หมืนไฟนารลกก็เรียกไปนัดอย่างเดียวก็จบจานน้ำอย่างเดียวก็จบทําไมต้องมีหลายชื่อทําไมต้องมีคําว่า ส, สกอตทาไมต้องมีฮอต่อไหมทําไมต้องมีอะไรอีกหลายๆคําคําตอบหนึ่งในคําตอบครับผมหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทําไมพวกล็อตถึงใช้เรียกชื่อไฟนรกไว้หลายชื่อแล้วก็เรียกชื่อวันเกียร์มาไว้หลายชื่อหนึ่งในเหตุผลก็คือว่าเพื่อให้เราเข้าใจมันมากยิ่งขึ้น เพราะอะไรครับเราจะเข้าใจสิ่งใดก็ตามด้วยกับชื่อของมันเราจะเข้าใจสิ่งใดก็ตามด้วยกับชื่อของมันชื่อจะเป็นสิ่งที่บอกถึงตัวตนของสิ่งสิ่งนั้นยิ่งใครก็ตามมีชื่อเยอะมันยิ่งทำใหเรารู้จักเขามากยิ่งขึ้นอย่างท่านนบีมสบุสลิมครับท่านเป็นอัลอามินเราแค่ฟังชื่อเรารู้จักตัว ต, วตวนนบีเลย อัลอามี min, คือผู้ที่ซื่อสัตย์คือผู้ที่ใครก็ตามอยู่ใกล้ในรับความปลอดภัยคือผู้ที่ว่าไม่เคยทาร้ายผู้อื่นแล้วก็เป็นผู้ตัวป้องกันไม่ตัวเองโดนคนอื่นทาร้ายเท่าที่จะทำได้เป็นผู้ที่ใครก็ตามอยู่ใกล้นั้นรู้สึกสบาย อ, อกสบายใจ Al อัลอามีนเห็นนะครับการที่เรารู้จักชื่อมันทาใหเรารู้จักข้อเท็จจริงของสิ่งสิ่งนั้น เกี่ยวกัเกียรมาเราอาจจะบอกว่าเรารู้จักวันียรมาอยู่แล้วแต่เมื่อเรามาดูคาว่ามาอั ด, ดรที่อลอซาโนตาชอัลกุรน آن, เราจะเข้าใจวันเกียรมามากขึ้นเราจะเข้าใจมากขึ้นอย่างอัลฮะครับอัลฮะ م าลพากะว่ามาดรั ا ل า ا ق าก ذ ر ا ل ث า و د ส ع ا د รุว่า قار ีเ ف ฟ م ا ثمود ف ร ه ل ك ฟ ا อหลุกุบิต ا ห ا เเฟะมะอาดุนเเฟะอหลุกพอราบว่าอัลฮักกอัลฮกเป็นหนึ่งในชื่อของวันเกียมามาจากคำว่าฮักกุนแต่ว่าสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หนึ่งในชื่อของวนเกียรมาคือสิ่งสิ่งหรือเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนยิ่งกว่าแน่นอนยิ่งกว่าแน่นอนใช่คราอัลฮะก็เป็นการเน้นย้ําของย้ําของย้งยําอัลฮะก็พอเราฟังปุ๊บเราก็้าจมุมมองหนึของวันเกียรมาแล้วใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่ร้อยย้ําว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนคิดให้ดีๆสิผู้สถานมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนการเนินชีวิตคิดถึงชื่ออัลฮะก็วันเกียรมา ต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะฉันต้องเจอมาแน่นอนนะนี่ฉันทําอะไรอยู่นี่ฉันหลงดูมอะไรไปนี่ฉันกําลังมัวแต่หลงลิมกับอะไรเห็นไหมครับพอได้ชื่อที่มากขึ้นเข้าใจข้อยใจจริงที่มากขึ้นเช่นเดียวกับพวกลอสุบฮาน ห, ห, หูอวตารอะไรครับบิไลอัสมอรุสนาฟดาโอหูบีแหสำรับพวกเรามีพระนามที่งดงามมากมายจงขอต่อพระองค์ผ่านน้ำต่างๆเหล่านั้น อยากรู้จักพระองค์ก็ต้องเรียนพระนามของอรเพราะแต่และพระนามทําให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นในด้านที่ไม่สัมกันครับอัลฮะก็พกระองค์บอครับอัลฮะก็เหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือชื่อของมันเกี่ยมมาเนี่ยว่ามัลฮะก็อะไรคืออัลฮะก็เนอะว่ามาอัดร์กับมัลฮะก็แล้วอะไรทําให้เจ้ารู้เลย ว, ว่าอะไรนะคืออัลฮะก็เจ้ารู้ไหมว่าอะไรคืออัลฮะก็ พี่น้องครับในโซลฮักก้อนเนี่ยผมขอแตะนิดนึงนะพี่น้องผมไม่ว่าผมชวนออกนอกทะเลนะครับผมหลังจากพวกเราพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพวกเราไม่ได้อธิบายต่อว่าวันเกียร์มาสภาพเป็นยังไงซุบฮานัลลอฮหลังจากที่ผู้รอดบอกอัลฮักก้อนเกียร์มาคือวันที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอะไรทําให้เจ้ารู้ว่าอัลฮักก้อคืออะไร ก็สับสนสมุทราดูบิลคอริอาพวกกุ่มสมุทรกับกลุ่มอาร์ตเนี่ยได้ปฏิเสธต่ออัลกอริอาอัลคอริอาก็คืออีกชื่อนึงของวันเกียรมาแล้วก็ครอบคุมไปจนถึงวันสิโลกด้วยวันสิโลกจนถึงวันเกียร์มาวันกอริอาได้การสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงอีกชื่อนึงของวันสิโลกพวกเราอธิบายถึงวันเกียรมา แต่พวกเราอธิบายในรูปแบบที่พูดถึงกลุ่มชนของชาวอารกับชาวสมุทร 2. ในกลุ่มชนที่ได้ชื่อว่าเป็นอาหรับแท้แล้วก็เป็นกลุ่มชนที่เชื่อมั่นในพลังอานาจของตนเองแล้วคิดว่าอานาจของตนเองจะอยู่ตลอดกาลสิ่งที่มาทำลายคำว่าตลอดกาลในดุนยาคืออะไรครับวันเกียรมาคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซื้อพนในล้อพี่น้องพอจะมองเห็นภาพความเกี่ยวพันไหมครับเมื่อพลอพูดถึงชื่อวันเกียร ม, มาว่าะไรคะก็สิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่ายกกลุ่มชนที่คิดว่าตัวเองจะไม่มีวั น, นสูญสลายตลอดกาลเอามาให้รู้ว่าขนาดกลุ่มที่คิดว่าแน่ขนาดนี้มั่นใจว่าตัวเงขึ้นแข็งขนาดนี้อัลลอฮ์สร้างมาให้มีความกำยำอัลลอฮ์สร้างมาให้มีความสามารถอัลลอฮ์สร้างมาให้มีอำนาจดับศูนย์หมดแล้วไม่ใช่ดับศูนย์ธรรมดาด้วยถูกทำลายด้วย พรอเราบอกไลยครับฝ่ออเมซามูดุนออลิกูบิเตอรเรียกลุ่มสมูทเนี่ยถูกทําลายด้วยกับเสียงที่ดังกึกก้องแค่เสียงฆ่าทั้งชนเผ่าได้พี่น้องคิดดูแล้วเสียงดังกัมปนาตเนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นในโลกหน้าเกิดขึ้นในเฟนโลกมะขนาดไหนแล้วก็เสียงของการเป่าซูร เาแล้วทำไม่ทุกอย่างตายหมดพี่น้องคิดดูว่ามันจะขนาดไหนในอูซูบินละว่าอินนารีละที่ว่าอินนาอิเลฮิลลลรชูนะเจาพระพุทเจ้า พ, พ, พาาูดอย่ต่อครับว่าอามะอาดุฟาอูลิกูบรีฮิซนซลินฮานติยะในขณะที่กลุ่มชนชาวอาร <c oughs> <c oughs> อิรมาดะติดไอเมตอเลตีลำยุกลักมิสเบอาฟิบิอาเป็นกลุ่มชนที่รัสซ้างไม่มีร่างกายที่กำยำแข็งแรงมีเมืองที่แข็งแกง่ง ถูกทำลายด้วยกับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดถึงก็คือถูกทำลายด้วยกับลมพายุที่รุนแรงพี่น้องลมเวลาร้อนๆลมพัดมาทํรรมดลไล่เ ย, ย็นเรายืนนเฉยๆลมมันทําอะไรเราไม่ได้แล้วกับกุ่ชนที่เราสร้างมาให้มีร่างกายที่ก้ำยำแข็งแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติถูกทำลายด้วยกับลมทั้งเผ่าเลย ฝ่าอุกนิกูเบรีเฮงซอนซาลินอาราเตียลมที่รุนแรงที่มีความหนาวเหน็บพร้อมกับเสียงที่น่าสะพรัวหนาวซูบิลาบินดาลิกมันเป็นลมประเภทไหนกันไม่มีใครอยากเจอครับผมแต่ในที่นี่ยพวดเราพูดถึงอัลฮะก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคุณที่คิดว่ามันไม่เกิดขึ้นเพราะคุณคิดว่าคุณกําลังล่ารวยอยู่คุณกําลังมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอยู่คุณกําลังคิดว่ามันมีอารยธรรมอยู่คุณกําลังคิดว่าโลกกาลังจเจริญอยู่มันคงไม่มีจุดจบหรอกพูดแล้วบอกอัลฮะก็ เกิดขึ้นแน่นอนในวันสิ้นโลกเพราะฉะนั้นวันสิ้นโลกต้องเกิดที่แน่นอนวันเกียร์มาต้องเกิดที่แน่นอนอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันมีกับเราในดุนแาถึงเวลามันจะไม่มีครับพี่น้องนี่คือการใช้คําว่าวามาอัดดาร์กาเจ้ารู้ไหมอัลกุรอานงดงามไหมครับอันนี้คือความสามารถที่เล็กน้อยสุดเท่าที่ผมจะมีเท่าที่ผมจะอธิบายความงดงามความมิจฉาของอัลกุรอาน จริงๆครับพี่น้องได้ภาษาหลับอย่างลึกซึ้งพี่น้องศึกษาทับซีดอาญ่านี้จะยิ่งมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านี้ครับแต่ด้วยกับขีดความสามารถของผมในตอนนี้ผมก็ทําได้แค่นี้เพียงแต่ว่าผมหวังว่าพี่น้องจะพอเห็นภาพว่านี่คือการใช้นนคำว่าวัวมาอัจรอแก่อะไรทําให้เจ้ารู้ว่าอะไรคืออะไรเพื่อเป็นการให้เราดึงสติเราเพื่อทําให้เราเข้าใจถึงสภาพบริเกียรม้ามากยิ่งขึ้น อีกอญ่าหนึ่งครับว่ามาอัตราเทมายหมื่อนฟัสในสรอาลมุรซาตใช่ไหมครับอะไรทำให้เจ้ารู้ว่า y ยาว์มุลฟันั้นคืออะไร y ยาวมุลฟัคือวันที่ทำการตัดสินแบ่งแยกแยกแยะอย่างชัดเจนว่าใครถูกใครผิดพี่น้องคงจะเคยดีนบ่อยใช่ไหมครับว่าในตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ย เรามักจะเคยได้ยนว่ามันเป็นการยากที่จะแยกว่าอะไรเป็นสีขาวอะไรเป็นสีดําเพราะคนปกติเป็นสีเทาคนมีทั้งด้านดีคนมีทั้งด้านด้านไม่ดีการที่จะตัดสินใครสักคนว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีมันยากเพราะเขามีดีด้านหนึ่งเขามีไม่ดีด้านหนึ่งสําหรับคนกลุ่มหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนดีมากๆสําหรับคนอีกกลุ่มนึงเขาอาจจะเป็นคนชั่วมากๆแล้วจะตัดสินได้ไงว่าตัวเองเขาดีหรือเขาไม่ดีคนบางคนกับครอบครัวนี่คือดีสุดยอดเลยแต่กับคนนักบ้านแย่สุดคนบางคนกับคนนักบ้านดีสุด กับคนในบ้านแย่สุดๆหรือบางทีมีข้อถกเถียงกันที่มันไม่มีคําตอบตกลงใครถูกตกลงใครผิดตกลงทํำไมทํำอย่างนั้นตกลงใครทําอย่างนี้ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นหลายๆอย่างพวกเาบอกอีกชื่อนึงของวันเกียรมาคือเออร์ฟ uh ัสวันที่จะทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนออกมาจะจําแนกจะแบ่งแยกจะให้รู้ว่าไหนฝ่ายถูกอันไหนฝ่ายผิดอันไหนเป็นสิ่งที่ดีอันไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดีใครเป็นคน ด, ใคนคนดีใครเป็นคนไม่ดี แล้วไอ้ที่ทะเลาะเบาแหว่งกันตกลงอะไรคือข้อเท็จจริงยลมุลฟอสเมื่อข่าวในแกลนบอมารดร์กามายมุลฟอสเช่นเดียวกับบอมารดร์กามายมุตีนอะไรละ่ะที่ทําให้เจ้ารู้ว่าวันแห่งการพิภากษาคืออะไรวันที่ตัดสินโดยมีพื้นฐานเกียวกับการตัดสินเกี่ยกับใครใกล้เคียงกับคําสอนของเลาะมากที่สุดใครทําตามคําสอนของเลาะมากที่สุดเขาคือผู้ที่รอดผลเยลมุตีน ซึ่มามาอัลารกมายอมมุตีนเฉพาะเของเขาว่ายอมมุตีนเพราะเราย้าถึงสองครั้งนะพี่น้องสรอินฟิตว่ามาัาร์กมายอมมนมามาอัดารีนฉันเดียวกันครับกับอัลกอยวมาอัดร์กะมาลกอยว่มามันอัดระมลกอยนเดียวกันกับ وأمامنخفت موازينه فأمههاوية وماأدرى كما هي نار حامية สังเกตดูครับที่ว่ามาก็จะเป็นพูดเกี่ยวกับชื่อของวันเกียรมาอ่ะกรยาก็คือวันที่มีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแในหลังจากนันกโพลก็ได้พูดถึงว่าแล้วอะไรที่เราไม่เจ้ารู้ว่ามันคืออะไรละ่ะที่บอกว่าที่พันนักคือฮาเวียอันนี้เราพูดถึงไฟนรกแล้วนารุนหามิยะมันคือไฟที่แผดเผา รู ką, ko, ok. ้จักนรกมากขึ tirar, ้นด้วยชื่อของนรกเช่นเดียวกันกับคาว่าวามะอัตารกามลฮุต่อมาไฟที่ว่าร้อนจัดที่ว่ามีฟืนอยู่เต็มฟืนคืออะไรครับมนุษย์แล้วก็ก่อนหินที่ถูกกับไว้นอกจากกระบะฮุต่อมาเพาในไฟนรกก็มีฟืนที่ว่าทำให้มันร้อนอีกขึ้นอีกจังหะวามาดารกมะสักรละตบกีวะลาตดรลวฮะตุลบชร อเล่ฮาตาชีกชื่อหนึ่งของไฟไหรถคือสกอตสกอตก็คือขุ่มที่ลึกหลุมลึกกับพี่น้องเรว่างสกอตชื่อหนึ่งของไฟไม้รถคือสกอตและตุบเบิรกและตุบเบิร์คือเลาจะใส่โพลล์บอกข่าคุณลักัติของไฟไม้รถคือมันจะไม่ลงเหลืออะไรไว้เลยใครที่ถูกทำลายนั้นจะไม่เหลือไม่แตะขีแซกไม่เหลือไม่แตะขี้เท่าครับพี่น้องแต่ละนั้านอาจจะบอกว่าอ้าว แล้วมันถูกฟื้นคืนชีพมาใหม่ถูกฟื้นขึ้นมาใหม่ด้วยทั้งทั้งที่ว่าโดนแบบแทบไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็ยังถูกฟื้นคือชีพขึ้นมาอีกโดนทําลายถูกฟื้นคือชีพโดนทำลายถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาและอย่ามูตูฟี่ฮาวลายะยาไม่เป็นเราก็ไม่ตายในนั้นและทุกีเวลาตาแสบแล้วมันก็จะไม่ปล่อยให้ใครเล็ดรอดเล็ดรอดออกมาได้ด้วยนี่คือคุณใลักษณะของไฟนกอย่าคิดว่าจะหนีรอดได้ซึ่งพระบอกไงครับ โลว่ลาพัฒนบริษัทใน البشر ช่างในวันที่ยูนาย น, นะครับนะ mm. อุตบิลลายมินจากีข้ารักุมครองเคร่งผมควาคพี่น้องทุกคนให้รอดพ้นจากการเป็นชาวนรกพ mm. วกเราบอกว่าเขาจะมีผิวหนังที่ดำเกรียมด้วยกับอะไรครับด้วยกับความทรมานของการลงโทษในไฟนรกขนาดถูกสร้างใหม่แต่มันก็ถูกทำลายทันทีถูกสร้างใหม่ถูกทำลายทันที ผีหนังดำเป็นตอตะโกตลอดเวลาแต่ก็มีความทรมานตลอดเวลาเช่นเดียวกันอายไลฮะติสอาจอาชัดคนที่ดูแลมันนั้นจะมีมาใใลีก่ทั้งหมด19ท่านรู้จักไฟนรกมากขึ้นด้วยกับการที่เลาใช้สำเ น, นให้เราได้คิดว่าวามาอัดะรอแกอะไรทำให้เจ้ารู้ว่านี่คืออะไรในกุรานยังมีการใช้อย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้ครับเช่นวามาดรอ ก, กมาสตีนหรือวามาดรอ ก, กมาอิลอยุนพูดถึงอะไรครับ ทีบ่บันทึกสมุดบันทึกที่รวบรวมรายชื่อของคนชั่วทั้งหมดกับที่รวบรวมบันทึกของคนดีทั้งหมดรวบรวมบันทึกคนชั่วทั้งหมดคือวสิจีนรวบรวม บ, บันทึกคนดีทั้งหมดคือไอ้หลียุนซึ่งเมื่อถึงเวลาถ้าเราตายแล้วคนเราทุกคนต้องตายเมื่อผมตายเมื่อพี่น้องตายวิญญาณเราจะถูกพาขึ้นไปหาพวกล้อสะพานมัวรตายแล้วถ้าเราเป็นคนดีที่ออมล้อรักกอล้อจะบอกมาแล้วแกว่าจง เขียนชื่อบ่าวของข้าไว้ในไอรียูนยบันทึกที่ว่ารวบรวมรายชื่อของชาวสวรรค์พี่น้องขอเดือจากร้อยรายชื่อของเรานั้นอยู่ในไอรียูนยแต่ถ้าตรงกันข้ามละ่ะเป็นคนที่อัลลอฮ์รังเกียจเป็นคนที่ไม่รักอัลลอฮ์ในดุลยาไมิ่งกอูอัลลอฮ์ในดุลยาไม่หวังต่ออัลลอฮ์ในดุลยาึงเวลาเมื่อเสียชีวิตครับจะขึ้นไปบนฟากฟ้าก็ขึ้นไปไม่ได้ติดตั้งแต่ฟากฟ้าชั้นที่หนึ่ง แล้วพวกล็อกก็จะบอกว่าให้เขียนชื่อของเขาไว้ในสิจินบันทึกที่รวมรายชื่อเฉพาะชาวนารกเท่านั้นเนอูซูบินลายเมนดายดขอล็อกของพวกเราให้รอดผลครับผมพูดถึงแต่เรื่องน่ากลัวนะพี่น้องขอมาฟัครับเหมือนมีอะไรเข้าตาพูดถึงเรื่อง ที่น่าสะพรึงกลัวพี่น้องเรามาคุยเรื่องสบายใจกันมั่งแล้วกุรลานมีการใช้วอมาร์ดรอการับเรื่องที่ดีๆเช่นเดียวกันแล้วก็ดีมากๆด้วยพราะเราถามนี่ครับว่า ม, มาอเดรอแคมไลเลตุนกอสเจ้ารู้ไหมล่ะ ว, ว่าไลเลตุนกอสค่าคืนของกระดับนะ่ยคืออะไรคืนที่การทําความดีในนั้นเท่ากับเราทําความดีตลอดชีวิตของเรา ครับน่าจะปิดท้ายด้วยจอายะกราที่ฟังแล้วรู้สึกดีๆนะครับผมแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับอายะสุดท้ายที่พูดถึงว่ามาอัดรอกาในที่นี้ไม่ใช่คาว่าเดรอกาแล้วแต่ใช้คำว่าอัดรอุมหวังว่าจะเป็นการเตนสติทั้งตัวผมกับตัวพี่น้องกุลลชัลลหมตาเราตูอไลคุมลาอัดรอุมบฮฟกตลาบิสต์ฟกุมอุมาระมินกับลีฮีอฟลาะกิลู พวกลอที่พูดเขาว่าหากผู้ยิบาลของเจ้าต้องการเจ้าก็คงจะไม่ได้มาสอนมาบอกอะไรของเขาแล้วเจ้าก็คงจะไม่ได้รู้อะไรตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดหากไม่ใช่ด้วยความเมตตาของพวกลอเราคงไม่รู้จักอิสลามหากไม่ใช่เพราะความเมตตาของลอเราคงไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วหากไม่ใช่เพราะความเมตตาของพวกลอพวกเรา คงจะไม่เหลือแม้แต่คนเดียวบนผืนแผ่นดินนี้ที่รอดพ้นไปจากความกดกิ้วขอรอไปได้วัวามอาอัตตะรคุมหัามาอัตว่ละอัตรคุมบพี่น้องครับขอบคุณพ่อรัสสุบฮานหัวตาลาให้มากพี่น้องอาจจะมีเรื่องเป็นร้อยมีเรื่องเป็นพันที่พี่น้องจะบน่นแต่ขอให้รู้ว่าเรื่องที่เราควรจะขอบคุณพ่อรัสสุบฮานหัวตาลานั้นมันมีมากกว่านั้นมากมายมหาศาล พี่น้องอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่าพี่น้องจะได้คิดต่อหรือเปล่าการใช้วอมาอะดรีนาเจ้ารู้ไหมการที่ใช้สมนุตว่าเจ้ารู้ไหมมันแสดงให้รู้ว่าอะไรครับมันแสดงให้รู้ว่าการรับรู้ของเรานั้นมีขีดจํากัดมากสิ่งที่เรารู้มันช่างน้อยเหลือเกิน ขนาสิ่งที่เราคิด เ, เรารู้ชีวเชียววันกียมะโอฉันรู้จักไปถามมัสซิมคนไหนใครก็บอกฉันรู้อวดหลกนะี่ยแต่เมื่อเรามาศึกษาชื่อต่างๆ่าของเกียรมะบางทีเราจะมานั่งคิดกับตนเองว่าตกลงเราไม่เคยรู้จักวันเกียรมะมาก่อนหรือเปล่าตกลงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมมันน่าสะพรึงกลัวขนาดนี้ทําไมเรายังทําตัวอย่างนี้ได้อยู่ความรู้ของเราช่างน้อยเหลือเกินเหมือนกับคนที่บอกว่าเขารู้จักอัลลอฮ์แต่เมื่อบอกเขาว่าให้อธิบายเกี่ยวกับอัลลอฮ์มาหน่อยซิกซัก หนึ่งนาทีสักสองนาทีเราจะพบว่าหลายคนพูดไม่ออกแล้วหลายคนพูดไม่ออกวันแรกที่ผมถามคำถามนี้รู้จักอัลลอฮ์ใช่ไหมรู้จักครับรู้จักค่ะรู้จักนานแล้วใช่ไหมรู้จักตั้งแต่เกิดคือพูดด้วยกับความภูมิใจผมถามว่าเน้นช่วยอธิบายมาหน่อยอธิบายเกี่ยวกับพวกลอสอพานุวัตธรรมมาหน่อยขอสักห้าประโยคตั้งแต่ที่ผมถามมาแทบไม่เคยมีใครตอบได้หลายอย่างเราคิดว่าเรารู้แต่เราไม่รู้ เมือกับมีคําพูดที่พูดกันครับบางทีคนที่คุณรู้จักน้อยที่สุดอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวคุณที่สุดก็ได้เพราะด้วยความใกล้ตัวคุณเลยไม่สนใจเพราะด้วยความที่ใกล้ตัวคุณเลยที่คุณเลยไม่ได้คิดที่จะรู้จักให้มากยิ่งขึ้นอะไรที่มันใกล้ตัวเกินไปที่เขาเรียกยาปากคอกหรือว่าอะไรนะครับบางทีคนไม่ให้ความสนใจจากเรื่องคุณานี้จากการใช้คำว่าว่ามาอัตระเคมล์ عقب ะ วามาดอร์กามลอักบะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแชร์กับพี่น้องให้เราได้คิดให้เราได้รับรู้ให้เราได้ไปนั่งวิเคราะห์แล้วไปตกตะกอนกันอีกทีเมื่อมีเวลาว่างในช่วงวันนี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับก็ขอขอบคุณพวกลอสซูปานัวตาลาที่พวกนั้นได้หยิบยื่นโอกาสดีๆให้พวกเราได้มาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ในโลกใบนี้นัก็คือคำพูดของผู้ลอสุบฮาห์นูวะตาลาขอขอบคุณพู้อสุบฮาห์นุวะตาลาด้วยกับความยิ่งใหญ่ด้วยกับความเมตตาด้วยกับความรักของพระองค์ที่มีให้กับพวกเราที่พระองล์ลอส์นั้นได้ให้รู้ได้ให้อิสลามแก่พวกเราได้ให้เรานั้นรู้จักอิสลามได้ให้เรานั้นเป็นมุสลิมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเรามาตลอดเวลาให้โดยที่เราไม่ได้ร้องขอต่างๆนานามากมายแล้วก็ทรงตอบรับในสิ่งที่เราร้องขอขอขอบคุณผู้ลอสุบฮาห์นูวะตาลา ด้วยกับการขอบคุณด้วยกับการเสริเสริญซึ่งเราไม่รู้ว่าต้องเสริเสริญขนาดไหนเพราะเราไ ม, ม่สามารถที่เสริเสริญเท่ากับที่พรงให้กับเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงขอเสริเสริญต่อพระลอสุปฮาหูฮัวตาอัลเจนกว่าพระองค์นั้นจะพอใจแล้วขอเสริเสริญต่อพระองค์ต่อให้พระองค์พอใจแล้วแล้วเราขอเสริเสริญต่อพระองค์ไปเรื่อยๆหาชีวิตเราจะหาไม่ขอให้เรานั้น เป็นบาวที่มีความรู้สํานึกต่อพวกลัทธิพานุวัตตาล่ขอให้เราเป็นบาวที่ว่าเห็นสิ่งที่ผิดให้มันเป็นสิ่งที่ผิดจริงๆให้เราได้ออกห่างจากมันขอให้เราเป็นบาวที่เห็นสิ่งใดที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกให้เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกให้เรารักที่จะทําสิ่งนั้นและให้เรามีความสามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้ขอยห้เราเป็นกลุ่มชนที่ว่ารู้แต่ไม่สามารถทําได้รู้แต่ไม่ยอมทํารู้แต่ไม่อยากทํารู้แต่กลัวที่จะทำหรือรู้แล้วเกลียดที่จะทําขอรักคุ้มคลุบ เหล่านั้นขอให้เรามีชีวิตอยู่ใน dunya ในชีวิตที่ว่าเรียบง่ายในชีวิตที่ว่าดุ n y านั้นมันไม่มีอิทธิพลกับเราจนทำให้เรานั้นสูญเสียจิตใจในความเป็นมุสลิมขอให้เรามีชีวิตอยู่โดยที่ d ุ n y a เราก็ไม่สูญเสียผลประโยชน์โดยที่อาคิเครอเราก็ไม่สูญเสียผลประโยชน์แล้วก็ขอให้พวกเรานั้นรอดพ้นจากความกดกิ้วของพวกลอสุบะฮานุฮวาตาลาทั้งในหลุนฝังศพแล้วก็ทั้งในไฟนรกยาอัล เราขอตอบพวกอสุภานุหะตาลาด้วยกันที่พวกนั้นเป็นพระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นของพวกเราเป็นผู้ที่ไม่ได้คลอดใครมาไม่ได้ถูกคลอดมาผู้พวกนั้นเป็นผู้ที่อ่าเป็นที่พึ่งแล้วก็ไม่มีผู้ใดนั้นเสมอเหมือนพระองค์พวกนั้นคืออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรงกายผู้อัลลอฮ์ปวดให้ อัลกุรอานนั้นเป็นยาที่รักษาเยายาจิต ใ, ใจหัวใจของพวกเราขอให้หัวใจเรานั้นมีความผูกพันต่อคําพูดของพค์ขอให้เรานั้นรักอัลกุรอานขอให้เรานั้นได้มีส่วนในการรักษาอัลกุรอานขอให้เรานั้นมีส่วนได้ปกป้องอัลกุรอานแล้วก็ได้สืบทอดคําสอนของผู้รัสุบหาห์นูวาต์ต่อไปขอ ยาวล้อสิ่งใก็ตามที่เราทดสอบพวกเราจะเป็นเรื่องกับเรื่องของหนี้สินีจะเป็นเรื่องกับเรื่อของโรคภัยจะเป็นเรื่องของความเศร้าเรื่องของความกลัวเรื่องของความสูญเสียบมื่อทดสอบใดก็ตามยาวล้อพวราล้อนั้นได้กล่าวไว้ว่าฝอินนัมันอุศสรออินนัมันอุศสรอในความยากลําบากมีความยากลําบากนั้นพวกเราจะมีความง่ายดายให้อย our, таки, feasible, ่างมากมาย ให้ความง่ายดายแก่พวกเราในทุกบททดสอบที่พ่อรับได้ทดสอบพวกเราด้วยเถิดยาวรับโปรดทาให้ครอบครัวของเรานั้นเป็นแก้วตาดวงใจของเราเป็นกลุ่มคนที่เมื่อเรามองไปยังเขาเมื่อเขามองมาอย่างเราพวกเรานั้นมีความรู้สึกอบอุ่นใจพวกเรามีความรู้สึกเย็นอกเย็นใจแล้วขอให้เราเป็นคนดีที่สุดสําหรับพวกเขาแล้วขอให้พวกเขานั้นเป็นคนดีที่สุดสําหรับพวกเราแล้วขออย่าให้พวกเรานั้นเป็นศัตรูแก่บรรดาผู้ศรัทธาแล้วก็ขอให้ศรัทธาขออย่าให้บรรดาศัตรูของมุสลิมที่รังเกียจ เกียชังเียชังมุสลิมนั้นได้มีชัยเหนือมุสลิมด้วยเถิดอามีนครับอากูลากาลีฮาดะวะสักฟุลโลฮารีวากลกุมวาลิไซลิมสม์นินนะมินกุลิดามัสักฟุลอินุวลกาฟูตอราหิมครับขอถ้าใายพี่น้องที่คุณมาแล้วผมยังไม่ได้ตอบนะครับคุณหมออาร น, นะครับสลามานะครับวาลิกุลสลายมอฟล้อว่าบารักาตุนะครับผม คุณวารีฤชาครับสละมาวุสลมตุลบลอบาากาตูเช่นเดียกับคุณลอรุนะครับะวุณสลมรุลบลอบาาการครับผมคุณซาดาครับบอกกระทำเลยลนะครับอามนยาบบลอามินอาเมนครับผมพี่คุณจารัดนะครับผมส่งหัวใจมาจะจากมุลอคารอนครับพี่วันีครับบอกกระทำดัเจนแล้วก็พี่สมาจากมุลอคารนก็ไว้ยากุมครับผมก็ พบกันในวันพรุ่งนี้ครับอินชาอัลล์ด้วยความเมตตาของพระลอสุบานฮูอตาลาอย่าลืมครับพี่น้องครับเราจะไม่เลือกหนทางที่ยากลำบากการหรือสลามอะลัยกุมวะาา ร, ร, าารับตุลลอฮฺวะบรากาตุรับม